มาบรรยายจุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยา น, นเวศกวันตําบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, ราณจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่เรื่องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข บรรยายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ทอเจเลอริฮอนโ ย, ยมญาติวิชชาวบริษัทอาหารสยามทุกท่านวันนี้อาตมาทั้งสามรูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน ที่บริษัททั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรดและก็ทั้งในส่วนของโรงงานก็ทางนี้ก็โดยที่คุณโยนาคุณวัตถุซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มาโดยที่ท่านมีน้าใจศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไม่ปธิรม ความจริงนั้น ก, ก็จะได้มาตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วโยมโซคนก็ได้นัดไว้ตั้งแต่คงจะสักเดือนมาแล้วมแต่ว่าพอดีว่าเกิดเหตุขัดข้องเรื่องเจ็บใครได้ป่วยเล็กน้อยก็เลยเลืออ่อนมาก็มาในตอนนี้ก็ ม, มาแล้วก็ได้มีโอกาส ได้มาดูกิจาการทั้งบริษัทก็ได้เห็นทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่จะนํามาป้อนโรงงานแล้วการผลิตแม้ว่าจะมีเวลาดูสั้นๆแต่ที่ว่าก็ได้เห็นกิจาการเดือโดยทั่วๆไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูกิจาการเป็นเรื่องเป็นราวอัน มาเป็นการที่วันได้พักผ่อนถือว่าเป็นการได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยมาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือที่ไร่สัปปะรดก็ไปดูรอบทีเดียโยมโสพลพร้อมทั้งที่ทางไร่นั้นก็มีคุณชาญวิทย์และก็คุณกีร น, นันก็ได้ พาไปดูเจงกระทั่งเรียกว่ารอบบริเวณแต่เวลาจํากัดไปหน่อยเรียกว่าเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพจที่นี่ก็เลยก็พอดูพานผ่านบางจุดก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เรียกว่าเวลาจะเนล่นนานก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่เพื่อมาฉันเพจที่มาที่นี่แล้วก็ได้รับการก็รับโอภาปลาัยจากท่านกรรมการ ทำหน่วยการพร้อมทั้งพนักงานท่านอื่นๆก็เป็นที่น่านโมทนาก็เป็นบรรยากาศของวัยรีจิตวิจภาคในหมู่ของผู้ที่อยู่ในรีเองแล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมเยียนซึกพอดีก็ประจบกันนอกจากคณะอัตมาและคณะท่านแนวเพื่อนพร้อมทั้งท่านปหลัดก็ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทด้วย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 แสดงธรรมก็เดี๋ยวนึกว่าแหมเป็นเรื่องที่ก็ยากเป็นเรื่องของสัตว์วัดอะไรแล้วก็เลยอยากจะม่วก<ม>ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ถือว่าอย่างที่ว่าได้มาเยี่ยมเยียนถือว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนซะแล้วก็ก็มีการเยี่ยมเยียนก็มีการที่มาพูดคุยสนทนาปราศัยกันก็เป็นธรรมอนองนี้ธรรมาก็ การได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มีโอกาสจะมาพบกับท่านมากๆก็ต้องอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยมาเยี่ยมประเดี๋ยวเดียวก็ได้พบกันไม่กี่คนอันนี้คุณโยมจัดให้อย่างนี้เพื่อแสดงธรรมก็เข้าใจให้มีโอกาสได้พบกันหลายๆท่านหลายหลคนนั่นเนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึง่งนี่มามาพบกันแล้วก็ได้คุยสนทนาปราศัยในฐานะที่เป็นพระก็จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟัง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 เอานะเรื่องงานเป็นเรื่องหนักเรื่องต้องใช้กำลังเรื่องต้องใช้เรียวแรงแล้วก็ใช้ความคิดบางทีก็ถึงกับเครียดนะเราพูดกันเรื่องงานนี่แหละเหมือนกับเผชิญหน้ากับความจริงก็ดีเนกันเพราะว่าที่จริงเรื่องงานนี่ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีระยะยาวแก่ชีวิตทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่างานนี่เป็นส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเรามันกินเวลาของเรานี่ส่วนใหญ่ของชีวิตทีเดียวอย่างท่านที่อยู่บริษัทนี้เนี่ยก็ต้องสละเวลาให้แก่กิจกรรกิจการของบริษัทในวันหนึ่งมากอาตมาได้เดินไปชมกิจการแล้วก็ท่านที่นำชมท่านก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังก็ได้ทราบว่าทำงานกันนานอย่างพนักงานที่ ยืนๆเทามีมองเห็นนะ่ะท่านบอกว่าต้องยืนบางทีถึงสิบสองชั่วโมงนานมากทีเดียยืนจนสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักทีเดียวจะแสดงว่ามันกินเวลาเข้าไปตั้งครึ่งวันแหละเววันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงนี้หมดไปสิบสองชั่วโมงกับการยืนอยู่นั้นแล้วก็นอกจากนั้นเราจะต้องไปทำกิจวัตรส่วนตัวของเราอีก แล้วก็พักผ่อนหลับนอนซะบ้างเนี่ยเวลาในวันหนึ่งนี่เราเหลือไม่เท่าไรจากการงานแล้วก็เหลือวันพักผ่อนอีกก็คนละคงจะสองวันอาจมาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดยนะแต่รวมแล้วก็เป็นอันวัดสรุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับการงานนีว่ากการงานครอบครองชีวิตส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อเรื่องการงานให้ถูก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 แล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เราชอบใจไปเที่ยวอะไรแล้วก็เรามีความสุขจากการที่หลังจากทำงานไปแล้วได้ผลของงานเป็นเงินเป็นทองไปใช้ใจ่ายแล้วก็มีความสุขจากอันนั้นไม่ได้มองว่าเป็นความสุขจากตัวงา น, นคือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มีความสุขก็เลยกลายไปว่ามองงานนี้เป็นความทุกข์ไปก็มี บาคนก็มองไปว่าเออเวลาทํางานนี่เราต้องทนทนทํามันไปหทําให้มันเสร็จเราจะได้รับผลตอบแทนแค่นะั้นผลตอบแทนนะั่นแหละจึงจะทําให้เรามีความสุขไป ม, มีความสุขตอนโน้นก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้เวลาที่เราจะมีความสุขเนี่ยมันเหลือน้อยเพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคือเป็นเวลาที่มีความทุกข์ต้องอดทนคนจํานวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้เพาแสดงว่า นี่มองจุดว่าความสุขนั้นเป็นผลที่ได้จากงานก็จริงแต่ว่ามองคนละจุดือคนทั่วไปจะมองจุดที่ว่าตัวงานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าต้องได้ผลจากงานนั้นอีกทีหนึ่งเป็นผลตอบแทนแล้วก็ไปหาความสุขทีนี้ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้ตัวงานนั้นก็ไม่ทำให้เราเกิดความสุขโดยตรง ก็เท่ากับบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรานี่มีความสุขอยู่ mm hmm. น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกต้องทน mm hmm. ถ้าหากเรามองงานเป็นเรื่องต้องทุกต้องทนก็แสดงว่าชีวิตส่วนใหญ่ต้องทุกต้องทนไอ้นี้ถ้าเรามองส ม, สมัยนี้เราทําไงเราจะให้ชีวิตของคนให้ของเรานี่แหละมีความสุขให้มากที่สุด mm hmm. ถ้า ง, งานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราก็ต้องห า, าทางทําให้งานเนี่ย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 ถ้ามันมีความสุขตอนทํางานไปเลยมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขจะมีส่วนที่เป็นสุข น, น้อยกว่าส่วนที่เป็นทุกข์หรือว่าต้องทุกข์ต้องปวดเราก็ตกลงกันว่ามาทําให้งานไม่มีความสุขแต่ทํางานให้มีความสุขก็ไม่ใช่มาสนุกกระโดดรโรตินเดี๋ยวจะว่าเป็นงาน่าแบบงานวัดงานลอยกระทงนั่นก็งานเหมือนกันนะเราเรียกว่างานงานรอยกระทงก็สนุกสิงานวัดน ไปดูน้ำดูลีเกก็สนุกนะั่นก็งานเหมือนกันนะแต่ว่างานแบบนั้นเป็นงานที่เราไปดูเขาเราไม่ต้องทำเองแต่ว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นนี่แสดงว่ามันมีแม่แง่ความหมายแล้วแสดงว่าคนไทยนี่แต่เดิมนี่มองงานในแง่สนุกสนานเหมือนกันว่า mm hmm. เอ๊งานวัดงานรอยประทงงานสมุรปราง mm hmm. ก็ทําไมเป็นงานล่ะงานนี่มันสนุกสนานนี่มันเรื่องทุก ก็คือคนไทยสมัยโบราณเนี่ยมองว่างานเนี่เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขนะแม้แต่ไปเกี่ยวข้าวกันก็ยังไปร้องเพลงนะก็นันก็งานเหมือนกันก็สนุกคือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะไอ้ตัวกิจกรรมที่ทำเท่านั้นแต่เรามองถึงจิตใจที่ว่าให้มีความเพลิดเพินเจริญใจบันเทิเงไปด้วยแต่คนสมัยหลังนี่ มาได้ยินคําว่างานวัดงานสงการงานรอยกระทงเป็นปต้นแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ที่จริงมันเป็นงานในความหมายเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยหรอไปมองแต่ในแง่สนุกสนานคือเดิมมันก็เป็นงานจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อประโยชน์แก่สังคมนั้นหมายความว่าเป็นงานไปช่วยกันมาทำประโยชน์สุรรวมเช่นไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยกันก่อ็จะดีสายเอาสายเข้าวัดหรือทํางานช่วยวัดอย่างใด อ, อย่างหนึ่งอะไรนี้ก็เป็นงานเป็นการนั้นนะ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 คือหนึ่งตัวงานที่ทำให้เกิดผลสาเร็จของงานนั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของงานให้ได้ผลงานรือผลดีแตียว่าทำโรงงานสับประรดก็หมายความว่าได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่มีคุณภาพดีได้ปริมาณาได้ถึงเป้ามีเป้าหมายว่าจะทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้ตามที่ตั้งเป้าไวา้คุณภาพ จะให้ได้ขั้นไหนก็ทําได้และก็สามารถทําให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือตัวงานนั้นก็ให้ได้ผลด้วยและก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาทํางานนั้นให้มีความสุขไปด้วยถ้าอะไรได้สองอย่างอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ผลสมบูรงานที่จะมีผลสมบูรนั้นให้มองดูทั้งสองด้านนี้และสองด้านนี้มันจะกลับมาช่วยกัน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 ปฏิสัมพันธ์มีผลย้อนกลับต่อกันให้ได้ผลดีขึ้นทั้งในแง่ผลงานแล้วก็ความสุขนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการปฏิบัติต่อ ง, งานอย่างถูกต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่อ ง, งานให้ถูกถ้าวางใจผิดแต่งานแต่ต้นแล้วก็ไปเลยพลาดเลยในอย่างที่ว่าบอกทัศนคติเนี่ยถ้าวางทัศนคติต่อ ง, งานเป็นเรื่องว่าต้องทุกข์ต้องทแล้วเรามาทนทํางานให้เสร็จแล้วเราจะได้ไปเสวยผลงานได้ผลตอบแทนแล้วค่อยไปสนุกทีหลัง ตอนนี้เราวางท่าทีผิดแหละแล้วอะไรตอนนั้นมันจะพลาดเคลื่อนไปหมดเลยผลงานก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีจิตใจของเราก็ไม่สบายความสุขก็น้อยแล้วเวลาไปได้ผลตอบแทนไปหาความสนุกสนานคนพวกนี้ก็จะเรียกว่าเลยเถิดไปง่ายๆหล ง, งง่ายๆง่าเดินไปเลยไปเรียกว่าไปหาความสุนุก ส, สนานเขา่าทนทุกข์มานานแล้วเอาให้เต็มที่อะไรทํานองนี้ก็เลยเสียไปเลย และถ้าเขามีความสุขอยู่ตั้งแต่ทํางานไปแล้วเวลาเขาเริ่มงานไปแล้วเขาไปหาความสุขเพิ่มเติมเขาก็สบายอยู่แล้วก็มันก็เป็นส่วนแถมมาแล้วก็ไม่มีปัญหานี้ก็เป็นวิธีที่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าควางใจให้ถูกต้องต่อมาแล้วว่ามีทา่าทีหรือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทํางานและอะไรทํายังไงจึงจะทําให้ทํางานได้ผลด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็ เหตุผลง่ายๆที่จะทําให้เราทํางานได้ผลดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยก็คือเราต้องมีความพอใจในงานรักงานนะัมีความรักมีความพอใจถพอใจเรารักเราพอใจในงานสแล้วนี่แม้มันอยากจะทําอยู่แล้วใครมาห้ามก็ไม่อยากจะหยุดไม่ยอมนี่อยากจะทําอยู่แล้วนะใจเราจะทำํำนะเพราะฉะนั้นใจมันพอใจจะทํามันก็ทำํำด้วยใจรักมันก็ทําได้ ตั้งใจทําแล้วก็ทําแล้วก็นอกจากได้ผลแล้วก็มีความสุขในขณะที่ทาได้แต่นี้ว่านอกจากว่าตั้งใจวางท่าทีต่องานให้ถูกต้องอย่าไปมองเป็นเรื่องต้องทุกต้องทนแล้วก็มีใจรักเนี่ยจะทํำยังไงะจะทํายังไงให้เราเกิดความพอใจรักใครมาเราจะพอใจรักงานได้นี่มันก็ต้องเห็นคุณค่าของงานนั่นเสียก่อนเอาละก็ต้องมามองขั้นต่อไปเห็นคุณค่าของงานนั้น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 อาตมาได้ทราบว่าผลผลิตจากที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศเพราอออกนอกประเทศตั้งแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือรเก้าสิบเเซ็นเนี่ยมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เงินตราเข้าประเทศประเทศไทยเรานี่ต้องการเงินตราเข้าประเทศมากเรามีปัญหาเกี่ยวกับดุลการค้าเราเสียดุลการค้ามากเอานะหากว่าที่นี่ส่งอาหารออกไปต่างประเทศมาก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 ให้มีความสบายใจเวลาทํางานก็รู้สึกเออนี่เราก็กําลังทําประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยนอกจากทําอาหารอร่อยอร่อยให้คนรับประทานแล้วก็ยังช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติอีกด้วยนึกขึ้นมาแล้วก็สบายใจมีความภูมิใจปลื้มใจก็เรียกว่าเกิดปีสิขึ้นมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอา้าวทีนี้มองไปอีกงานนี้ยังมีคุณมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรอีกคนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย เราต้องการความเจริญก้าวหนนะ้าการพัฒนาตนเองนะให้มีสติปัญญามีความเก่งกล้าสามารถมีความชนิชานาญในเรื่องอะไรต่างๆความเก่งกล้าสามารถชำนิชำนาญของคนในแสดงออกที่สำคัญก็คืองานของเขานั่นเองอันนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมาก้นเราก็จะต้องมีการพัฒนาตนเอง ส่วนสำคัญ ข, ของชีวิตที่ทำให้คนพัฒนาตนเองได้ก็คืองา น, นในการทำงานนี่เป็นการพัฒนาตนเองเป็นการฝึกฝนตนเองในทุกด้านถ้าเราอยากจะเป็นคนเจริญก้าวหน้าเป็นคนมีคุณภาพเราต้องการพัฒนาตนเองเราก็มาพัฒนาตนเองที่การทำงานนี่ใช้งานนี่เป็นเครื่องพัฒนาตนเองการทำงานด้วยการพัฒนาตนเองที่สำคัญมาก จะมองไปในแง่เอาความเก่งกล้าสามารถก็ได้ความาสามารถอย่านในชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดจากการทางานแต่ว่าเราต้องตั้งใจทำทำให้ถูกต้องแล้วก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปคอยสังเกตคอยดูคอยศึกษาอะไรอยู่เสมอคอยสอบถามคอยหาความรู้อะไรต่างๆในพัฒนาตนัวเองให้มีความรู้ความสามารถในการงานขึ้นมา ่การพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งกล้าสามารถในการทํางานนนอกจากว่าผลภายนอกคือการที่ว่าเช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าในการเลื่อนชั้นเลื่อนระดับงานแล้วก็มีผลในภายในตัวเองซึ่งว่าภายนอกเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ต่ตางๆแต่ตัวเราเรารู้ก็คือการที่เราเนี่ยมีความชมํชมนานิชํานาญทําอะไรได้ดีขึ้นซึ่งเขาจะไม่มีผลตอบแทนให้หรือเขาจะมีก็แล้วแต่แต่ว่าเรา รู้สึกในตัวเองเราทําไปแล้วเราก็สบายใจของเราแต่ให้รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วทําได้ดีขึ้นเนี่ยคือการพัฒนาตนเองและให้มีความภูมิใจสบายใจในตัวเลยไม่ต้องไปรอว่าให้คนอื่นเข้ามาให้ผลตอบแทนเพราะนั้นมันเป็นสองชั้นตอนที่1ก็คือตัวเราเนี่ยได้แน่นอนก่อนเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปมองแต่แง่ว่าเออเขายังไม่ให้ผลตอบแทนเราเรายังไม่ได้รับรางวัลท่านไปรอหวัผลแบบนั้นแล้วก็อาจจะทําให้ผิดหวัง อันนั้นเป็นส่วนของคนอื่นเขจะให้ไหมให้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราได้แน่นอนก็คือตัวเราเองเนี่ยเราพัฒนาความสามารถขึ้นมาเราเห็นประจักษ์ัดกับตนเองฉะ น, นั้นเราได้ตลอดเวลาจากการทํางานถือว่าการทํางานเป็นการพัฒนาตนนอกจากพัฒนาในความชนิชนายความเก่งกล้าสามารถแล้วก็เรื่องนิสัย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 แล้วก็งานนี้แหละถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราะฉะนั้นเราก็มองว่างานนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีคุณภาพมีการพัฒนาและเราก็มีความสุขกับการทำงานหรายว่าได้ทำงานเราก็ได้พัฒนาตัวเองอันนี้นอกจากนั้นแล้วก็คือบรรยากาศบรรยากาศในการทำงานความมีมิตีจิตวิตารค่าความยิ้แย้มแจ่มใสต่อการในหมู่ผู้ร่วม ง, งานแล้วก็ นอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกสวัสดิภาพอะไรต่างถ้ามีความเป็นอยู่ดีว่าเหมาะสมพันธพลาท่านเรียกว่าเป็นสัพปายะสัปาสปายะก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่อะไรต่างปัจจัยต่างเนี่ยบรรเทืเกลต่อการที่จะจดำรงชีวิตก็จะทำให้เราสบายใจไม่ห่วงไม่กังวลแล้วเราก็พอใจในการทำงานด้วยก็ส่งผลสั่ย้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบแวดล้อม ในซึ่งทําให้เราเนี่ยทำงานได้วความสบายใจมีความรักความพอใจงานเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ ย, ต อ, ต, อนนย ต, อตอนต้นเราต้งตั้งท่าทีให้ถูกต้องต่องานอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องถุก ต, ต้องทต้องมองงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เกิดความรักความพอใจงานพออย่างนี้แล้วเราก็ทํางานได้วความสุขมีความตั้งใจเวลางานเดินหน้าไปพอมี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 ถ้าคนไม่มีปติไม่มีความอิ่มใจจาก ง, งานมีงานเดินหน้าไปก็ไม่ได้นึกเขาไปมัวใจไปหวังโ น, น่นเลิกงานแล้วจะได้ไปสนุกสนานใจไปอยู่ที่โน่นเนแล้วก็เลือกไปมองที่ผลตอบแทนใจมันไม่อยู่กับงานแล้วตอนเนี้ยทีนี้มันใจไม่อยู่กับงานก็หาความสุขจาก ง, งานไม่ได้มันก็กลายเป็นต้องทนต้องทุกในการทำ ง, งานใจมันก็ไม่สบายเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งท่าดีที่ติดต่องาน ก็ต้องทําใจให้มีความสุขทํางานไปเลยอย่างที่ว่าพอใจรักงานแล้งงานก้าไปนิดมันก็อิ่มใจจากการที่ได้เห็นผลงานก้าไปจีนหน่อยแลหน่อยมีความสบายใจตลอดทุกขั้นต อ, อนเพราะนอกจากว่าจะมีความรักงานทํางานไปด้ใจสบายมีความสุขแล้วก็เห็นผลงานแล้วก็มีความสุขมีปิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําใจตัวเองตลอดเวลาได้มีสติเตือนใจตัวเองว่าทาใจให้ร่าเริงผ่องใส ในเรื่องใจของเราเนี่ยเราปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งไม่ดีก็หมายความให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจห ง, งุดหงิดเศร้าหมองเดือดร้อนกระทนประวายอันนี้เราก็ปรุงแต่งได้ไปนึกอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ว่าเกิด อ, อ, อยากจะไปโน่นไปนี่ยังไม่ได้ไปตอนนี้ทําไมยังไม่ถึงเวลาสักทีฉันอยากจะเริกงานไปทํารรมดไปสนุกที่น้านดียังเหลืออีกต้สองชัวง่วโมงแนวคิดรออย่างนี้เอาแล้ว ตอนนี้ปรุงแต่งขึ้นมาท่านเลียงก็คิดปรุงแต่งใจพุ่มสร้างกระวนระวายตอนนี้ทํางานก็ไม่มีความสุขเกิดความเครียดขึ้นตอนนี้เราปุงแต่งในทางที่ดีก็ร่าเริงสนุกสนานเออทางานเออเรามองงานที่เราทําอยู่ข้างหน้าไปแต่ไปคิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็เลิกงานเองแหละมันครบสิบสองชั่วโมงกับสิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงกับแปดชั่วโมงครบอะไรก็เหมือนนั้นเวลามันยุติธรรมกับทุกคนมันไม่เคยเอาเปรียบใครเราไปคิดเอาเองว่าเวลามันช้าเลื่อน เอ้าทำไมเราก็เพราะเราไปรอมันเนีงใช่ไหมถ้าเราไม่รอมันก็อยากมันก็ไม่ช้าเนี่ยเราก็ทํำไปเวลามันอย่างที่ว่าเวลานี้ให้ความเป็นธรรมก่ทุกคนเสมอกัร น, นีแต่ว่าเวลาตั้งใจถ้าตั้งใจผิดมันก็ทําให้เวลาช้าลื่นเร็วตามแต่ว่าเราจะตั้งใจเงินนี่เราก็ทําใจให้ถูกแล้วก็ รู้อยู่ว่าเวลามันเป็นอย่างนั้นของมันตามธรรมชาติเราก็เอาใจไปยู่การงานของเราทําใจให้รา่าเริงการงานสนุกสนานการงานท่านบอกว่าปรุงแต่งใจให้รา่าเริงเบิกบานรา่าเริงเบิกบานท่านนี่ก็ปราโมททาใจให้ปราโมทเวลาทํางานนี่ทําให้รา่าเริงเบิกบานพยายามยิ้มแย้แจ่มใสนึกถึงงานก็ทําให้รา่าเริงเบิกบานตื่นสติตัวเองอยู่เลยพอเรารู้สึกว่าใจชักขุ่นมัวเอ๊ะท้าวแล้วนึกได้เอ๊ะนี่เราชักจะไม่ได้การแล้วมั้ ใจเราจะเกิดร้อนเราวนประวัยชักจัดกลุมโมตเศร้าหมองไม่ได้ไม่ได้คิดแล้วบอกว่าต้องหน้าเดินรบิกบานพอเราได้สติอย่างนี้เราเตือนตัวเองเราก็บอกใจตัวเองมาบอกใจตัวเองเราก็ทําใจได้าเดินทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกนี้เราตก็ปรุงแต่งใจของเราปรุงให้มันดีปรุงให้เป็นดีมันก็ดีปรุงไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแต่งได้ปรุงให้มันหน้ากินหรือปรุงให้ไม่หน้กอันนี้ใจเราเราก็ปรุงได้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 เกิดเขาเรียกว่าปีติอิ่มใจพอมีปีติอิ่มใจนะสบายใจถ้าบอกมีปัสสจิตีความผ่อนคลายจิตใจจะไม่มีความเครียดคนที่ทํางานอย่างนี้เรามีปีติอิ่มใจก็สบายใจไม่เครียดมีความผ่อนคลายสงบเย็นมีปัสจิตีแล้วก็มีความสุขอยู่ความสุขก็ขขโปร่งใจโล่งใจใ้ความสุขนี้แปลว่าโปร่งโล่งใจแต่มันไม่มีอะไรมาบิดคั้นติดขัดข้งของคำว่าทุกข์นั่นแปลว่าบิดคั้น คนที่มีความทุกข์ก็คือมีอะไรมาปิดคั้นใจตัวเองถ้ามีบคั้นกายก็เรียกว่าทุกข์กายถ้าบีบคันนบบค้นใจก็เรียกว่าทุกข์ใจในคนจำนวนมากมีเอาอะไรอะไรมาปิดคั้นใจตัวเองก็เรียกว่าทําให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่าบางงั้นก็ติดขัดคับข้ อ, ไองไม่โปร่ไม่โล่งทีนี้พอคล่องใจสะดวกใจโปร่งโล่งใจก็มีความสุขมีความสุขแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าใจมันก็มั่นคงเสมอก็แน่วแน่ ทำอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่คุ้สร้างไม่กระวนกระวายอันนี้พระเรียกว่ามีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบตั้งมั่นแน่แน่แล้วจะคิดจาอะไรจะอะไรมันก็ขาดคิดมันก็เดินปัญญามันก็เดินเดชะพลันจิตไปทํางานอะไรแม้แต่ว่าไปทำกรรมฐานก็เป็นสมาธิก็ได้ผลดีด้วยอันนี้ดีไปหมดเลยเพราะนั้นนี่ตกลงว่า เป็นเรื่องของการที่ว่าทําให้ชีวิตของเราได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่างานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การทําทงานเนี่ยเป็นตัวนํามาสิ่งวามสุขแล้วก็สุขด้วยการทํา ง, งานนั้นด้วย ส, สุกตั้งแต่เวลาทำงานแล้วต่อไปหลังจากงานแล้วขณะทํางานก็มีความสุขเสร็จงานก็มีความสุขเพิ่ม อ, อ, อีกและก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่า ทำให้ชีวิตมีความสุขโดยที่เอางานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ชีวิตนี่ก็ถ้าหากว่าเราทํางานได้อย่างนี้แล้วก็คือความหมายของงานที่เราได้พูดจะมาตามวัฒนธรรมประเทพในไทยที่บอกว่าไหงานวัดงานสงกรานก็มองไปในแง่สนุกสนานบันเทิงเราก็มาทํางานของเราแม้แต่ในโรงงานเนี้ยให้มันมีจิตใจที่บริบานสดชื่นของสายอย่างนั้นด้วย ตัวที่รู้เข้าใจคุณาพทั้งงานและวมีสติเตือนตัวเองให้คอยทาใจให้ราเรงเกิดวันางนี้และชีวิตของเราก็พัฒ น, นาไปด้วยแต่ชีวิตคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายยังถูกต้องนี่แหละเป็นชีวิตที่เจริญกันมนาะทำไมต่สิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาคืองานเป็นของประจำเนี่ยเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นไม่ได้ถูกต้อง ก, กัน เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเป็นนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญการงานนี่แหละทางพุทธศาสนาท่านนี้ก็เป็นกรรมคำว่า mm hmm. กรรมนั้นแปลว่าการกระทําการจะทําทในชีวิตส่วนใหญ่ของคนก็คืองานเพราะนั้นคําว่ากรรมในความหมายที่ละเอียดที่สุดก็คือเจตนาที่ทําการเจตนาในใจนี่เป็นตัวที่ทําให้เราทำโ น, ทำน่นทํานี้แล้วก็ เวลาทำออกมาเป็นกิจกรรมภายนอกเราเรียกว่ากิจกรรมทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของชีวิตก็เรียกว่าเป็นงานในเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีความหมายหลายขั้นกรรมในความหมายที่เป็นกว้างที่สุดก็คืองานที่แต่ละคนทำพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากรรมวุฒาวัตติโลโกโลกนี้เป็นไปตามกรรมโลกนี้เป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามเนี่ยท่านพื้นฐานก็คืองานของคน เนี่ยคนมนุษย์ที่มาทํางานกันในสังคมนี่แหละเป็นตัวบัรดาให้โลกให้สังคมเป็นไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้วยกิจกรรมสังพันธ์งานของคนที่ทำเนี่ยอาชีพการทํางานเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องนําให้โลกให้สังคมเป็นไปในะโลกสังคมประเทศไทยเอาแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งานที่คนไทยเนี่ยทำ แม้เราจะให้สังคมประเทศชาติของเราเนี้ยไปในทางไหนก็คนแต่ละคนที่มาอยู่ในประเทศเป็นพลเมืองก็ต้องทํางานให้ถูกเรื่องกันให้เป็นงานที่จะนาประเทศชาติจะพกไปสู่ความเจริญก้า้าแล้วก็งานในความหมายต่อมาก็คือว่าคนที่สุดแล้วกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมาจากเจตจานงในใจเจตจานงเจตนาความตั้งจตตั้งใจและเป็นตัวที่ กลุ่แต่งสร้างสรรค์ทสิ่งทอย่างโลกมนุษย์น <Coming off> ี่เ <Okay>. ป so yes. ็นโลคของเจตุจำนวนโรคของกามคิดกลุ so ่มแต่งสร้างสรรค์สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างต่างแบบนี้นี่ยมันเป็นเรื่องของเจตจํานความคิดสร้างสรรค์นั้นซึ่งต่างจากโลคของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โลคของมนุษย์นี่เป็นโรคของเหตจํานวนโลกของเหตจำนากลุ่มแต่งสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้านสิกบอกว่า โลกนี้หรือสังเกเนี่ยเป็นเป็นทบตาหรือเป็นเป็นตามกของมนุษย์ถ้าก็มองความหมายหลายชั้นนี้คนที่มีเจตจำนงเจชนารุงแต่งสร้างสรรค์ที่คิดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้คิดริเริ่มในการที่จะนําสังคมให้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามพิถีนั้นสังคมก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติเนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือการงานนี่แที่ทาให้สังคมเป็นไป เพราะนั้นเราเนี่ยมีส่วนที่จะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งสังคมปรุงแต่งโลกให้เป็นไปต่างๆเราก็มาช่วยแต่ปรุงแต่งในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์การงานที่เป็นอาชีพสุจริตก็เป็นส่วนที่จะช่วยปรุงแต่งนำโลกไปในทางที่ดีงามให้โลกรยมนเย็นเป็นสุขไม่เปลียดเบียนซึ่งกันและกันและยิ่ทำานั้นไม่เพียงแต่สุจริตแต่ยังเป็นการที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ด้วยก็เป็นการหบอกเลี้ยงให้โลกนี้ ได้มีความสุขเจริญการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ให้เราได้มีความ พ, พอใจในสิ่งที่เราทำอย่างถูกต้องก็ั้งงานเป็นต้นไปก็เมื่อเรารู้คุณค่าของงานเราก็มีความพอใจตั้งงานเัาเลื่พพอจจงงนขึ้นมาเมื่อไรเราก็ได้มีความผู้ใจว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็นประโยนแล้ววันนี้ก็อรตมารมก็ได้มาพบตัดสัตย์โยมญาติชาวโรงงา น, ช า, งงานชาวบริษัทนี่ก็เป็นผู้ที่ทํางานทํางา น, ท, งา น, ท, งานที่สิทธิ์จริตทำงานที่ ส, สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ก็ขอให้ เห็นคุณค่าแห่งงานของตนเองอย่างที่เขาจะมาได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นอกจากเราทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องทําจิตใจของเราให้สบายในความสุขด้วยและจิตใจของเราที่สบายแล้วมีความสุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทํางานที่เป็นประโยชน์เป็นสรุมได้ผลยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันผูกพันกันไปอย่างเนี้มีความเจริญกา้าวห น, น้าจริงจริงเป็ะไฟแสดงก็ตกลงว่า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 การทํางานของเราการดําเนินชีวิตของเรานี่มันได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือไม่การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี่มันก็ก็ดูจากหน่วยย่อยที่จะเจริญก้าวหน้าไปปีหนึ่งหนึ่งนี้มันก็มาจากแต่ละเดือนมาจากแต่ละวันเราก็มาสํารวจเลยคนที่จ ะ, จะเจริญจริงๆเนี่ยเขาต้องสํารวจแต่ละวันสํารวจมาแต่ละวันว่าในแต่ละวันนี้เราได้พัฒนาได้ผลเพิ่มปู๋หรือเปล่า ถ้าไปมวชสารวจชา้าๆเดือนปีหนึ่งทนำะไมไม่ทันหรอกผลทีเ่เขาจะมีฐานะดีขึ้นและตั้งตัวได้เนี่ยเขาต้องสํารวจกต่ละวันพราท่านเลยสอนเตือนไว้เลยนะนะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งนะจำไว้ได้ก็ดีเอาไว้สำรวจตัวเองนะท่านบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างนี่จำเป็นขติดเลยนะถ้าจําวันนี้ได้แล้วก็จะเริยนงอกงามแน่เลย เพราะแต่ละวันเราจะสํารวจตัวเองสำรวดตัวเองว่า <S <S เออวันนี้เราได้ยังไงนะก่อนจะนอนทสำรวจทีนี้ถ้าเราสำรวจถ้าเราว่าได้คือเราก็มีความพอใจถ้าเรารู้สึกไม่ได้นี่เท่ากับตือสติแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องพยายามทําให้ได้ผลแล้วต่อไปจะต้องให้รู้สึกว่าได้ทุกวันเขาได้ทุกวันแล้วปีหนึ่งไม่รู้ได้เท่าไรเดือน ห, หนึงก็เยอะและวปีหนึ่งก็มากมายเขาจะได้ให้สำรวจแต่ละวันทางพลานิชั่น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 อเปนะหูเกนวะพระเนี้ยอมโมคันทิปัสสังกิยิลาอเปนะหูเกนวะแปลว่าเวลาแต่วเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปปล่าไม่มากก็ น, น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเออเอาแค่เนี้ยนะแต่ละวันแต่ละคืนนี้สรวจตัวเองอันนี้ทึงว่าได้เนียหลายคนก็มองไปแง่ได้เงิน้าจะไปคิดแค่นั้นชีวิตของเราไม่ใช่ได้แค่นั้นชีวิตของเราจะได้ความสุข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 เป็นนัเลยหาเงินตลอดชาติไม่มีความสุขสักสี่นะก็ไม่ได้เรื่องตกลองว่าทํารวจเลยตำรวจแต่ละวันนี่แหละด้านเงินด้านงานาด้านทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่มาลงท้ายที่จิตใจได้มีความสุขมีความสงบมีความเจริญของจิตใจไหมจิตใจมีความพัฒนาก็มีความสุ ข, ส ข, ส ข, สขอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความร่าเริงเบิกบานใจมีความอิ่มใจ มีความอ่อนคลาสงบเย็นกายใจมีความกลอดโรงคล่องใจมีความสงบมั่นคงแน่แๆของจิตใจสํารวจนี้ถ้าเราดูจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วก็สบายใจรี่ว่าดูครองจอดไม่ใช่ดูแค่นมอย่างเดียไม่ครองจอดได้วัตถุอย่างเดีย ว, ไ ม, ม ไ, ว, ยยวไม่พอเพราะนั้นสํารวจว่าที่ได้แต่ละวันเนี่ยต้องให้สํารวจครองจรได้แต่วัตถุที่ยากมันจะกระทั่งถึง สาระในจิตใจของเราที่เป็นนามธรรมและเยียบริสุทธ์ว่าความสุขความสงบของจิตใจความร่าเริงของวานใจได้ไหมต้องให้ได้แต่ละวันก่อนจะนอนหลับอย่างน้อยว่ามันเครียดมาตั้งวันแล้วมันเศร้าหมองขุ่นมัวมากสอนจะนอนถ้ามันยิ้มกับตัวเองได้จริงๆนะยิ้มแต่ใจแล้วทาใจได้เลยแม้แต่นอนนะอย่ปรุงแต่งได้ในใจของเราเวลานอนนะเลยนอนเวลานอนลงไปเรานอนแล้วก็วางตัวให้สบายนะ แล้วปล่อยมือปล่อยเทา้าแล้วบอกตัวเองบอกสบายให้มันได้สักหน่อยก็่ยันดีนะทําใจแค่นี้มันนําตัวเองจิตใจของคนเราเนี่ยมันนําตัวเองได้พรอ น, นอนแล้วเราบอกตัวเองว่าสบายแล้วก็ทําใจให้สมบเพราะบางคนนี่ไม่เคยนึกใจไม่มีเวลาพักเลยแล้วร่างกายไม่ได้มีพักท้องกายพักแล้วใจไม่พักอีกคิดวุ่นวายวุ่นงาน ทานพระแต่ก่อนคนโบราณเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นพันกลางวันเป็นเปรีวไ <c oughs> หวความร้อนรุ่มตลอดเวลาเพราะนั้นต้องมีวิธีการอย่าง น, น้อยพอพักผ่อนกายแล้วก็ให้ใจพักด้วยบอกตัวเองมันสบายอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็ทําใจให้ล่าเริงสบาย <c oughs> ให้มีความสุขถ้าเกิดนอนไม่หลับจะไปทุกข์วันะนอ <c oughs> นไม่หลับก็ไปซักเจอตัวเองไอ้ตัวนอนไม่หลับก็แยกอยู่แล้ว ยังไปทุกข์กระวนกวายเพราะความไม่หลักโอ้โหทไงเราก็ไม่หลับสักทีก็นอนไปทุกข์อยู่เงินแล้วก็เลยพอถึงเช้านี่หลอเหลวอะไรโงงเวงจะเป็นลมเอาเนี่นี่ถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรช่างมีเทคนิคหลายอย่างนะก็ลองท่านจาค้าเช่นบอกว่าเอาลองกําหนดลมหายใจลับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสักห้าสิบครั้งเนีย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 มันไม่หลับทั้งคืนพอถึงเช้าก็ไม่ค่อยเพียรเลยเอออาตมาเคยป่วยแล้วมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเรื่องของความเจ็บป่วยนะก็ต้องทําบอกว่าหลับ ก, ก็ช่าไม่หลับ ก, ก็ชนะ่างการหวัดรถไฟเอออย่างนี้ได้ผลถึงเราจะไม่หลับเราก็ไม่ค่อยเสียรแต่คนที่ไม่หลับแล้วใจว้าวุ่นเนี่ยไปห่วงตัวเองกัวงวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพ อ, อ, อถึงเช้านี่เสียรทัดแย่แค่นั้นไม่ต้องกลัวหรอกถึงมันไม่หลับก็ช่างเหมือน เราก็ได้พักใจของเราไปพอสมควรแล้วนะพักใจายไม่พักก็ให้ใจมันพักเนะี่ยหลักก็ะชันไม่หลับประชในใจพักสบายก็นี่แหละมีวิธีการต่างๆตกลงว่าถ้าทําอย่างนี้เราได้ทุกวันนะไม่เสียชีวิตไม่ไม่สูญเสียเปล่าได้กําไรเรื่อยเพระนั้นเอาคาถาพระพุทธเจ้าไปใช้ในคาถานี้ชนัดสักติดแน่นอนเนะี่ยบอกว่าถ้าไรเมื่อกี้ อโมทังทิวสังกิริราอเปนะอูเปดาวะเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปปลา่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้านเอาและถ้าคนที่มีคามเกลีออยันมากยิ่งกว่านี้นอีกนะพระพุทธเจ้าบอกพระถาวไว้สั้นกว่า น, นี้อีกไอ้เมื่อกี้มันยังยาวนะอันนี้ให้มันสั้นเอาไปอีกเวลาก็สั้นลงบอกโน โ, อโนโวมาอุปัชฌาธนโวมาอุปัจฌาท่านนี้ บอเวลาแต่ละขนาดจะให้ร่วงไปเปล่าโอ้โหเอาหนักระเอีกเลยที่นี่เลยครับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านให้เปลียนพยญญามขนาดนี้แม้แต่ละขณะก็อย่าให้ผ่านไปเสียกาแปลตามตัวบอกว่าเวลาแต่ละขนาดอย่าร่วงท่านไปเสียอย่าร่วงผ้าอย่าร่วงของไม้พามัามันฆ่าตัวเราไปโดยเราไม่ได้ทําอะไรอันนี้ก็เป็นพัติต่างๆซึ่งอาตมาคิดว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการทํา ง, งานและในการดําเนินชีวิตของ ทุกทุกท่านทุกทุกคนก็ขอนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดในทางธรรมวัเนี้ธรรมาก็ใช้เวลาผที่ประชุมไปมากแล้วก็คิดว่าพอจงควรแก่เวลาก็ขอในโมทนาแต่คุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการและก็ท่านกรรมการบริการคุณโยมโดยคนและก็คุณชาญวิทย์เป็นต้นทุกท่านเลยที่ได้พนักงานทุกท่านชาวบริษัทที่ได้